คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบกค่ะรายการสัสนิษฐานในวันนี้ก็เพิ่งเริ่มที่จะมาพบกับท่านทั้งหลายนะคะเรามีพระเพรบุญอภิปุโนจาบไว้าปารดอนไฮโซดอนธานีซึ่งอยู่ไกลกันแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นทำให้สามารถาให้ท่านทั้งหลายได้พบกันบนหน้าปัดของสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวรได้เป็นประจาตามเวลาของเราคือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ ทั้งที่ตอนนี้ท่านเองก็กำลังอยู่กับการที่จะต้องให้ความรู้กับผู้ที่ได้เดินทางไปฝึกสมาธิในคอร์สปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศที่น้องหารอุรรธานีนั้นเราไปพบกับท่านกันเลยนะคะกราบมโนสการค่ะเชิพานค่ะเราก็พบกับท่านตอนประมาณตี5้นเนี่ยคนไปปฏิบัติธรรมในตี5เขาตื่นหรือยังคะท่านคะตื่นตั้งแต่ตีสครึ่งนุน อ oh. แล้วก็ตีห้านี้ทุกคนต้องรมที่ศาลาแล้วต้องเตมนั่งสมาธิกันค่ะเ oh, <okay. S 1> นี่นี่จริงๆเป็นเป็นลักษณะของของธรรมะนะคุณหยงติ๋วว่ามันไม่สามารถให้กันได้ลักษณะว่าหยิบยื่นให้กันนี่คืออรมารไม่สามารถที่จะแวก oh. อกอรมารแล้วก็เอาก้อนก้อนึงเอาไปานี่คือสมาธิแล้วทุกคนก็จะมีสมาธิหมดมันมันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทําให้ไม่ได้เพียงแค่ทำให้ท่านพระอนุนละ่ะหรือว่าสาวกอื่นๆ แต่ว่าเป็นการที่บุคคลจะรู้ได้เฉพาะตนเนือรู้ได้เฉพาะตนะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราจะจะรู้ได้เองอคือคแบ่งให้กันอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ว่า <şeh> ปัจจตังเวทิตัาโพเป็นยูหิตใิใช่ใชนะคะปัจจตังแปล ว, ว่ารู้เฉพาะตนนะคะเวทิตัาโพแปลว่า อ, อะไรคะท่านคะเอ่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเนี่ยประกอบกันใช่ปัจจตังเวทิตัาโพวินยู วินยูก็วินยูชนอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาตนค่ ะ, ะนะคะแล้วก็ไ อ, อเรื่องความรู้เนี่ยที่ที่เราต้องทําเองเราถึงจะได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากจะพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเชิญคนอื่นมาพิสูจน์ว่ามันมีจริงๆมันมีจริงๆอย่างที่คุณโยมติว๋วอามามานั่งพูดกันอยู่เนี่ยนัทุกตีห้าตีห้าเนี่ยก็เพื่อที่จะชักชิญท่านผู้ฟังอะ่ะให้มาทํานะมันมีจริงๆมันดีจริงๆน ะ, ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ อันนี๋ยวช่นงกลังพยานึกบาลีที่ท่องได้แต่เด็กตามนะคะว่าตรงนี้ถ้าเดาเป็นเอหิปัซิิปาซิโกใช่เอหิปาสิโกท่านเลยบอกว่าเอ๊ก็คุค้นๆนะก็ที่เราท่องกันสวากาโตพระคะวา <S <S ตาธรรมโมสันทิติโกไหนๆเราพูดแล้วเราไปสันทิติโกว่าอะไรคะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตนเองอเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตนเองนะคะ ถ้ารู้คําแปลในคําสวดของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยดิยฉันคิดว่าช่วยอะไรเราได้เยอะนะคะและ้วเดี๋ยิฉันสงสัย น, นะคะท่านค่ะเรียนผ่าน ค, คือสงสัยว่าทําไมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาพระสวดไม่ค่อยแปลกันนะคะทำไมถึงไม่แปลครับหรือว่าต้องไม่แปลจึงจะสักสิทธิ์แปลแลว้วกลัวเพี้ยนอะไรเงี้ยป่ะคะอาจมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือตั้งแต่บวชมาเนี่ยอย่างที่วัดป่าอนัยโสกก็จะสวดแปลอยู่ ในวันพระวันสําคัญๆเราจะสวดแป <Okay. S 1> ลแต่ทีนี้บางทีใช้เวลามากเพราะสวดแปลนี่ชั่วโมงหนึ่งเราก็งั้นก็จะสวดบาลีก็คงจะมีอย่างเนี้แหละว่าพระในสมัยก่อนที่ท่านคิดบทสวดหรือว่าท่านเรียบเรียงมาเนี่ยท่านก็จะเข้าใจบาลีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็2มันเป็นพุพทธพจน์อันหนึ่งนะที่บอกว่าให้รักษาบาลีเอาไว้เพราะบาลีเป็นรากฐานภาษาของบริษัว <Okay. S 1> ยังไงเราก็ต้องรักษาเอาไว้ถ้าเปรียบที่รักษาภาษาไทยกับรักษาภาษาบาลีเนี่ย คุณต้องรักษาภาษาบาลีมากกว่ารักษาภาษาไทยในทางธรรมะนะค่ะเพราะบาลีเป็นต้นฉบับแต่อย่างไรก็ตามนะค ะ, ะเดนก็ยังติดใจหรือเลยให้เราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องแปลก็ได้เพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยสวดแล้วจะคุ้มครองเราได้เลยได้ประโยชน์กับเราเข้าไปทางผิวหนังได้เลยโดยอันอันนี้คิดอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเรา มันทําให้เราไม่สนใจเท่าที่ควรเวลาไปนั่งฟังพระแล้วเราไม่รู้เรื่องว่า อ, อ, อท่านกําลังบอกอะไรเระอันนั้นเป็นงูพิษเป็นพิษของธรรม ะ, ะต้องระวังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยแสดว่าคุณเข้าใจยังไม่ถึงเนื้อหาธรรมะที่แท้จริงนะอันนี้นอาจจะเป็นพิษกับเราได้เพราะว่ามันอาจจะไปทางมิจฉาทิฏฐิว่า ง, งั้นเราก็พึ่งแต่แบบเนี้พึ่งแต่สิ่งที่คนอื่นเขาจะมอบให้โดยที่เราไม่ได้ทําอะไระแต่แต่ถ้าเราจะทําให้มันความรู้นี้ความเข้าใจนี้ไม่เป็นงูพิษ คือเราจะต้องเข้าใจถึงแก่นความรู้จริงๆว่าไอ้ความหมายของบทเนี้ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะตรงนี้ ค, คือสิ่งที่ถูกซึ่งบิฉันไม่ได้กําลังหมายความว่าพระผิดนะคะแต่กําลังหมายความว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะได้ความรู้จากสิ่งที่เป็นบทสวดทั้งหลายเพราะหลายครั้งค่ะเวลาเราไปนั่งในกิจกรรมที่มีการสวดมนต์เวลาพระสวดโยมก็เลยสวดคู่ไปด้วยเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องก็คุยกันเองใหญ่เลยอ มันก็จะมีสองสองวิธีการที่อะไมา น, นึกได้ตอนนี้นะคือหนึ่งคุณไปเรียนภาษาบาลีหรือสองคุณก็ดูคําแปลดูคําแปลแล้วก็พยายามทําความเข้าใจที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้ถึงึงก็ได้เหมือนกันวิธีที่สเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็แปลกันเยอะแยะไปหมดเลยมีคําแปลหาได้ง่ายเซิร์ชเข้าไปอินเทอร์เนต็ตมีฟรีตลอดนันโหลดทั้งบนตงมือถืออะไรได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าฟังรายการเราเราเน้นรู้เรื่อง แต่ว่าอ่อนบาลีวินิดไม่ค่อยได้พูดกันนะคะเพราะว่าคิดว่าถธอขืนพูดเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกแขกหรือไล่แขกบางคนอาจจะบอกว่าในการสื่อสารจําเป็นจะต้องฟังกันรู้เรื่องในเวลาสั้นๆอลัลลาคาไปต่อดีกว่า่า<ด>ท่านเพปุลกําลังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิในช่วงต้นใช่ไหมคะเรียนผ่านข่าว่าเป็นของต้องทําเองมัเ้เถอะใช่ใช่ใชอาจจะมาบวชอยู่ได้ดนะี่ะคุณโยมติวต้องต้องยกมือต้มหัวแล้วก็ บูชาพระรูชาว่าเราบวชอยู่ได้นี้ก็พอสมาธิแต่ถ้าไม่มีสมาธิอธมาอยู่ไม่ได้แบบพูดจริงๆริงแเพราะว่าไอ้เครื่องโยวยวนล่อ ล, ลวงของคารวาสเนี่ยมันมากอย่างที่เราเคยผ่านมาอาหารอร่อยอร่อยาหารอร่อยๆนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีตอนเย็นด้วยนะะเราก็ไปกินไม่ได้จ้ะมพาพระเอ่อเที่ยวดูนั่นดูนี่แหมมันเจริญหูเจริญตาเ้เราก็ไปไม่ได้นะพระนี่กว่าแล้วมันมันเหมือนกับว่าสละสิ่งของออกมากเลยแล้วก็ เป็นการเสียสละอันใหญ่หลวงถ้าเราคิดอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เราคุณไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้คุณไปวัดก็รู้สึกทรมานโอ้ยมาครั้งฉันอยู่ทําไมที่นี่ไม่มีอะไรจะเจริญหูจเจริญตาอยู่ก็ลําบากอาหารการกินก็ขัดสนโอ้ยอะไรต่างๆน่ น, นานาคุณจะทําไม่ได้แต่ความเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น น, น, นี่คือสิ่งที่ถูกควรจะเป็นก็คือว่าคุณได้สิ่งที่ดีกว่านะคุณสละสิ่งที่แย่ๆออกไปเนียเพื่อให้มีที่สําหรับสิ่งดีๆ สิ่งที่ดีๆในนิที่นี้คืออะไรคือความสุขที่เกิดจากสมาธิถ้าเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากสมาธินะคุณไม่ยินดีความสุขที่เกิดจากสมาธิตรงนี้นะคุณจะไม่มีทางทำได้เลยทา ไ, ไ, ไม่ได้คุณจะล่ไม่ได้ท่านค <c oughs> ลงจะพูดถึงเรื่องที่เคยพูดเมื่อสองวันที่ผ่านมาไหมคะที่สอนเกี่ยวกับว่าการที่จะให้อยู่ในสมาธิได้อย่างต่อนเนื่องหรืออยู่ในมรรคได้อย่างต่อนเนื่องต้องมีอินทรีย์ คือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็ไปปัญญาใช่ใช่ก็สมาธิตรงนี้แหละคือสมาธิเดียวกันเพราะว่าเกิดจากศรัทธาว่าดีถูกไหมคะใช่ใช่เอ๊ะทำไมมีคนพูดว่าสมาธิดีเอ๊ะทำไมมีคนพูดว่าความสุขในใจมันดีมันมีมันอยู่ตรงไหนทําไมฉันไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นก็จริงนะคือสมาธิเรายัางไม่เกิดแต่เรามีความมั่นใจว่าถ้าเขาพูดกันมันน่าจะมีนะ่าทาไมคนนั้นก็มาพูดคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังแตตรงนี้คือความศรัทธาของเรา <น> <C HA. S 1> คือคุณยังไม่เห็นนะคุณยังไม่รู้แต่คุณมี <C HA. S 1> ความมั่นใจว่ามันมีค่ะมีฟังดีๆนะคะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อว่าเอ๊ะฟังฟังอยู่ดีๆท่านเพริบวุลจะชวนไปบวชหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บอกให้บวชอย่างมีสมาธิจะได้อยู่กันนานๆ <c oughs> แต่จริงๆงพูดเรื่องสมาธิอยู่ที่บ้านพอดินจําได้เมื่อวานนี้จบตรงที่อ่าเรียนพู้ถึงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่าไม่ใช่ว่าไปแล้วได้อื นะคะไม่ต้องไปก็ได้อย่างเงี้ยถูกไหมคะใช่ใช่คือไปก็จะได้แต่ถ้าไม่ไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็ถามว่าทําไมถึงจะได้องค์ประกอบอะไรที่ทําให้คุณได้ไม่ว่าจะไปหรือจะไม่ไปก็ตามน่ะก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องของศรัทธาแต่คุณต้องมั่นใจว่ากระบวนการน่ะมันมีอยู่คุณมั่นใจในกระบวนการนี้คุณยังเดิมไม่ถึงอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่เคยเดินทางมาวัดป่าใดโฉงเงี้ยเอ๊แต่เขาบอกว่าเส้นทางนี้ไปได้ เออเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราไปเส้นทางนี้มันจะไปได้กูต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งในความมั่นใจนี่แหละคือศรัทธาในในทางที่คุณยังไปไม่ถึงจุดหมายแต่ว่ามันน่าจะไปทางนี้ทําไมอะ่ะก็เขาบอกมาเขานี่คือใครปุถิชาบอกไว้แต่เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งเราก็เดินไปตามทางโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนค่ะทีนี้เมื่อวานที่ติดขัดอีกเรื่องนะคะคือท่านได้ สอนได้แนะแนวทางที่พระพุทธค์ได้ตรัสสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็ได้เลือกเอาวิธีที่จะบอกกับพวกเราว่าทำได้เลยคือวิธีใช้ลมหายใจเปเครื่องมือที่เรียกว่าอนาปานสตินั่นก็เลยกราบเรียนถามาไว้ว่าพระพุทโธเนี่ยตรัสสอนเป็นพุทธพจน์เอาไว้ตรงนี้ยอย่างไรคะก็พูดถึงว่าอนาปานสติเนี่ยตัวพระองค์เองเนี่ยก็ทําตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ นะแล้วก็ในขณะที่เป็นบริษัท ต, ตอนนี้ยังไม่บรรลุเป็นเป็นสมามัญสำหรับเจ้าก็ทำอนาปานาสตนะิสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ก็คือว่ากายก็ไม่ลำบากนะตาก็ไม่ลำบากแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวรรเพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นะฉงนั้นถ้าถ้าเราต้องการให้กายของเราไม่ลำบากนะตาไม่ลำบากเราก็ทําอนาปานาสตินี้ก็ได้ก็ดีนะแล้วก็อันนี้สง อ, อื่นๆของอนาปาตสติกก็ยังมีเยอะแยะไปหมดนะจะทําให้เราละความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้นะจะทําให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละไปได้ที่ยังอกุศลธรรมที่ยังไม่มาก็จะป้องกันได้กุศลธรรมที่ดีมีอยู่แล้วก็จะเจริญขึ้นได้นะเราก็ยังเป็นองค์คุณที่ทําให้ได้โสดาปติผลสกัดทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผ ล, ผลนะเป็นธรรมะที่ ถ้าเมื่อเราเจอเดินแล้วก็ทำแล้วเนี่ยจะมีอันนี้สงใหญ่จะมีผลใหญ่มากนะแค่ลมไม่ใช่เข้าลมไม่ใช่ออกนี่แหละง่ายง่ายมาก <c oughs> ค่ะนะคะพระพุธองได้ตรัสเอาไว้อันนี้เป็นถ้อยคาของพระ บ, บรมศาสดาละถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ตรัสรู้ก็คือความจรงิงที่จริงที่สุดละ <c oughs> แล้วฟังดูเหมือนก็ไม่น่าจะจรงิงขอประท่านโทษเลยนะคะคือหมายกัว่า ที่บอกว่าการแค่รู้ลมหายใจเนี่ยจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อแล้วก็เลยอยากทราบว่าที่พระพูทถองได้ตรัสสอนเอาไว้ว่ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกใช่ไหมคะใช่ใชมันมีอะไรที่พิสดารหมายถึงว่าพิเศษกว่านี้ไหมคะถึงจะทําให้เกิดผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่อืเสิ่งที่จะทําให้มีผลอา น, นิสงส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็คือสตินั่นเองใน <c oughs> สติที่คุณมีอยู่ลมหายใจนั่นคือเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้ว คน ช, ชั่วคนโกงเขาก็หายใจคนพระอรหันเขาก็หายใจเอาน่ามันต่างกันยังไงลมหายใจของพระอาหารกับลมหายใจของคนชั่วคนโกงไม่ต่างกันไม่ต่างกันคือถ้าเราพูดถึงทางกายภาพไม่ต่างกันแต่ทางจิตเนี่ยมันต่างกันมากคือสิของคนโกงคนชั่วเนี่ยจะไม่มีสติไม่มีสมรรสติในการที่จะระลึกถึงคุณงามความดีแต่สิของพระอาหาันคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการที่จะระลึกถึงคือมีจิต มาอยู่กำกับกับลมหายใจอยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นความแตกต่างอยู่ตรงนี้สตินี่แหละที่ธรรมาบอกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าจะพาเราไปสู่วิมุตตินี่แหละคะือสติอันเดียวกันที่เกิดขึ้นกับที่ในโพรงจมูกของคุณสติมันอยู่ตรงนี้แล้วลารมหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเพราะตรงนั้นสติเกิดขึ้นสติคือกิริยานะกิริยากิริยาที่จิตมาอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่อยู่อย่างเดียว แต่ไม่ได้มีอย่างอื่นมาแทรกระลึกถึงการที่มาอยู่ตรงนี้พวะตรงนี้นี่คือสติเกิดขึ้นก็เป็นสติอันเดียวกันกับที่จิตมันจะแล่นเข้ามาตรงนี้เห็นไหมว่าอาการที่จิตมันวิ่งเข้ามาสู่ลมหายใจนี่สติเกิดทันทีแล้วก็เป็นสติอันเดียวกันที่จะพาจิตเนี่ยหลุดพ้นจากไออารมณ์ต่างๆที่มาเป็นเครื่องกระตบเพราะฉะนั้นการที่จิตค่อยๆหลุดพ้นจากอารมณ์1อารมณ์สอารมณ์สอารมณ์สี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันก็จะมีความกำลังขึ้นมาพอสติมีกำลังขึ้นมามีกำ จะทําให้คุณมีอารมณ์เดียวได้มีอารมณ์เดียวได้คุณย้ำเตือนวาจะนึกถึงาการที่เราเล่นชักเยื้อกันเข้าใจไหมเล่นชักเยื้อกั น, เ, น, กกนเวลาที่เขาเล่นชักเยอ้อกันเนี่ยอกุศลมันก็จะดึงเราไปมันดึงทางไหนมันทางภาษานี่แหละมันจะดึงเราไปอกุศลให้ไปเราไปคิดบ้าคิดบอย ค, คิดเรื่องไม่ดีในขณะเดีวยวกันถ้าจิตเอมีสติสติก็จะพยายามดึงมาดึงมาทางไหนดึงมาทางกุศลเพราะสติเป็นกุศลนะถ้าตรงนู้นกําลังมากมันเราก็จะไปจะเพลอไป มันก็จะชักเย่อกันอยู่ใน ต, ตอนที่สติเรายังไม่ได้ค่อยมีกําลังเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าอยู่ฝั่งที่เป็นกุศลใช่ไหมแต่พอสติเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยจิตเนี่ยมาอยู่ในแดนกุศลมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดที่คุณเป็นสมาธินี่แหละคือประเด็นตรงนี้นะพอจิตเป็นสมาธิแล้วเออเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะยมบอลค่ะคือพระุ้งธรูป สอนไว้เลยว่ามันต้องเป็นไปในแนวทางนี้ใช่นี่คือทางนี่คือมักรนั่นเองค่ะนะคะเรากำลังเรียนรู้จากคำสอนของพระาศาสดานะคะเพื่อที่จะให้ท่านเกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติตามเพราะดิฉันมีความเชื่อว่าบางคนเน่ยดื้อนะคะคือเหมือนกับว่าพอเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเจ๋ง บางทีไปบอกสอนลําบาก่เพราะว่าเจ๋งซะแล้วไม่มีใครเจ๋งกว่าไม่ยอมรับแน่อันดื้อตรงนี้คือประมาทค่ะนะคะแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทิ้งคิดว่าในวันนี้เนี่ยบางทีเราจะเห็นคนที่อยู่บนสายทางที่บอกว่าสายทางแห่งธรรมเนี่ยที่ทะเลาะทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้นะคะอ่า <c oughs> สมมุติว่าคําว่าคนโกงคนชั่วที่ท่านพูดอยู่หลายคำํำ mm hmm. นั่นก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าด้วยสติปัญญาของเราสติปัญญาแบบทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราอาจจะกําลังผิดพลาดไปตัดสินอะไรด้วยตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองหรือว่าไปฟังจากคนคนอื่นคนอื่นมาเนี่ย mm hmm. แล้วเลยกลายเป็นว่าอาเราก็เลยไปไปทํำมาปอะค่ะ mm hmm. มีอักขุล บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้รู้ชัดอย่างนั้นใช่ก็ถ้ามีมิจฉาที่ถีเนี่ยมันก็ไหลไปตามมิจฉาอื่นๆทั้งหมดค่ะดันะั้นขอถามสุดท้ายสักหน่อยหนะะึ่งคะว่าวิธีที่จ ะ, ะทำให้เราซึ่งคิดว่าเราก็อยู่บนหนทางแล้วเราก็ไม่ได้เผลอเผลไปทำในสิ่งที่เป็นอกุศลโดยไม่ตั้งใจขอเกณฑ์ในการที่จะประกอบในการพิจารณาวิธี ภูมิปัญญาพุทธะค่ะใช่ใช่เราต้องเอาคําสอนพรุทธาเนี่ยเป็นหลักนะเพราะว่าพระพุทธาเนี่ยเป็นผู้ที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาเกณฑ์เอาเอาคําสอนของพรุทธาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปต่อสู้กับความรู้อื่นเนี่ยเราต้องมีอาวุธนะอาวุธในที่นี้ก็คือสุตตะนั่นเองนะเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะเพราะนั้นการศึกษาการฟังธรรมะการอ่านหนังสือนะเพื่อเพิ่มภูมิปัญญาในทางคําสอนของพรุทธานะที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวอันนี้เป็นอาวุธที่เราใช้้้้ได่ะเเบองงตนนป็ยาีล ค่ะและถ้าสมมุติว่าเอาเป็นตัวอาวุธเลยได้ไหมคะสั้นๆเนี่ยประกอบการคิดในนาทีสุดท้ายที่กำลังจะลาท่านทุกครั้งพระรูญเจ้าจะเปรียบเทียบอาวุธนะคือคือปัญญาค่ะปัญญาคือใช้เป็นปัญญาเป็นอาวุธนั่นเองปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงในการที่เราจะมารู้อริยสัจสีนะ่คือไล่ปลายสอย่างมันต้องมีปัญหานะคือความทุกข์เหตุ ข, ของปัญหาคือเจ้าตัญหาคืออริอสมุตรไทยใช่ไหมแล้วก็ทางออกของปัญหานะคือ เจ้านิโรธแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ถึงทางดับของปัญหาน่นคือมร์การคิดในระบบ4ระบบเนี้ยคือปัญญานั่นเองเามือนถ้าเราจะเอา4ระบบเนี่ยตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมร์ไปอพลายกับเรื่องอื่นจะได้หมดเลยนี่คือปัญญาในระดับเริ่มต้นที่เราใช้พิจารณาได้ค่ะแต่พูดถึงในเรื่องปัญญาที่ท่านว่าเนี่ยนะคะบางทีบางคนก็จะคิดพร้อมกันเลยแต่คิดไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกัน อ่าคือถ้าคิดในกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการทําโยนิโสมณสิการนะมันก็จะน้อมออกมาเป็นในทางกุศลธรรมแน่นอนมีเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับคําสอนของพระศ า, าสดาด้วยเพื่อที่จะได้ไม่หลงทางไปเป็นอาคุศลธรรมใช่ใชแล้วก็ใ ช, ใ, ชใช้วิธีที่ได้ทราบในเบื้องต้นนี้แต่ยังว่าไปนั่งสมาธิมากๆก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็คงจะได้เวลาที่จะต้องลาท่านเพรบุไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะกล่าวณสการค่ะทุกท่านที่เคารพคะและนี่คือรายการ อ่าสัมมนาสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอซึ่งอ่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเราก็จะพักกันไปเพื่อที่จะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนะคะขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสนําเอาธรรมะไปใช้เถิค่ะดีกว่าการใช้เวลากับอย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วที่อ่าท่านมีความทุกข์กันอยู่ท่านลองใช้วิชาพระพุทธเจ้านะคะมรรคทั้งหลายที่พูดกันมาทั้งสัปดาห์นั้นแล้วก็ ตอบตัวเองเพือตอบเราก็ได้นะคะว่าจริงไม้ว่าช่วยท่านได้ในเรื่องของการที่จะคลายทุกข์ดับทุกข์นะคะพบกันใหม่วันนี้ก็พุททวีสวัสดีค่ะ